بسم ال الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا ه ا ر ي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ا ل l a h u m m a salli ala Muhammad wa ala alihi wa afshabi wa man tabi'ahum ب شرح لي صدر ويشر لي أمر و ح د عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ن ا م ت روم نماد صباح หือนามัสพรจ้าทุกๆท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอสุบฮะฮานวะตาลาที่อัลลอให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เป้าหมายใหญ่ก็คือเพื่อรำลึกถึงอัลลอเพื่อสแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอสุบฮฺบะฮานาหวะาลาวันนี้เรามาทบทวนนะครับขอบคุณอัลลอที่เราทบทวนอัลกุรอา น, นจริงเวลานี้เวลานอน นมัสโบรแล้วก็อะไรงีบเงีบงีบทั้งวันน่นนะก็เรามาเอาเวลานี่มาทบทวนกุราหลทำอยู่เลืล่อยดีมากครับวันนี้เรามาทบทวนสุ ร, รอะ ร, ระดูอายาที่สามสิบสามสิบสามสิบห้าครับอายาที่สามสิบห้าก่อนที่จะอธิบายอายานี้คือเราผ่านเรื่องอะไรนะเรื่องเขาเรียก ว, ว่ากอริอะ กรณีนี้แปลว่ามูซีบะการรณการลงโทษแล้วก็มีอาดาบเรียกได้สามชื่อนะกริณ์ได้หรืออาดาบหรือมูซีบะเนี่น้ำท่วมที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับนั่นไม่ใช่เกิดขึ้น้ดยความบังเอิญอัลลอฮ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะครับทีนี้ เมื่อมีอาสาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยวิธีปกป้องอาสามีอะไรบ้างนะครับจากกูอ่านที่เราเรียนมาเนี่ยละได้ข้อสรุปก็คือหนึ่งต้องเตาบ้าตัวเยอะๆเตอบ้าตัวก็แล้วก็ดูว่าเราเนี่ยผิดอะไรตัวใครตัวมันอ่ะสํารวจดูตัวเองก่อนแล้วกันว่าตัวเองผิดอะไรบ้างก็เตาบ้าตัวซะตาบ้าตัวก็คือเสียใจนะครับ เมื่อตาบาตัวเสร็จแล้วก็อิสติฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอ์ให้มากนะครับเสร็จแล้วก็ทำสอดกอข้อที่สามให้ทำสอดกอข้อที่สีก็นามาตนะครับข้อที่ห้าให้อ่านอัลกรุรอานข้อที่หกให้ฟังศาสนาข้อที่เจ็ด ให้ให้เอาให้นำาศาสนาที่เราเรียนนี่นะครับที่เราอ่านหนังสือเนี่ยก็อเอาไปสอนต่อนะครับแล้วก็ข้อที่แปดก็คือให้เรารำลึกถึงอัลลอฮผ่านบทดุอาต่างๆเนี่ย ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าทำตัวกันแบบนี้นะแล้วก็บาปอย่าทำอินชาอัลลอเนี่ยน้ำไม่ช้ามันก็ลดนะก็ขอทุงอ้าต่ออัลลอฮนะครับให้การทดสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการทดสอบที่ทำให้พวกเราเนี่ย ึ่งเราเองอาจจะไม่ได้ถูกน้ำท่ว ม, มนะแต่ที่คนอื่นถูกเราอยู่ตรงนี้ก็มันมีผลกระทบทางจิตใจเราด้วยนะครับก็ขอดูอาตอ AH าววตาล l l a h า u b h a n a w Taala วันนี้มาอายาที่สามสิบห้านะครับอายาที่สามสิบสี่เนี่ยพูดว่าคนชั่วเนี่ยนะคนที่ทำบาปคนไม่เอาสุนย์หนานบีคนที่ปฏิเสธกรุราอน คนที่ปฏิเสธมุฮัมมัดเนี่ยแล้วมอาาบุนฟิลฮฮยาติดดุนยาพวกเขาได้รับการลงโทษบนโลกดุนยานี่ผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านไปน้องฟังเขาเบื่อโลกดุนยาเนี่ยน่าละไปการลงโทษขอร์ล้อแล้วเบื่อโลกดุนยาเขาเขาเดินทางมาทั่วโลกแล้วทั่วโลกไปหมด แล้วก็กินอาหารมาทั่วโลกอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็กินเหล้าของหมือนเมาทุกชนิดในประเทศต่างๆเนี่ยก็กินมาหมดแล้วยังแถมยังทาซีน่ามาหมดแล้วทุกประเทศคือทำอะไรมาหมดแล้วเนี่ยแต่ยังเบื่อเบื่อไหมเบื่อครับมีหลายคนไหมเบื่อเบื่อครับอยากจะฆ่าตัวตาย ถามว่าพวกเราผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่เราไปไหนอ่ะอยู่บ้านก็เดินมามัสยิดไปทํางานถามว่าเบื่อไหมไม่ได้เบื่อต้องใช่รึเไม่ได้เบื่อไม่คขี้ยาจะฆ่าตัวตายด้วยแต่ว่าหลายคนคนที่เป็นไรศรัทธาผู้ไรศรัทธาเนี่ยเขาเบื่อโลกดุนยาแล้วก็อยากจะมีชีวิตใหม่ๆที่มันดีกว่านี้อกีกนั่นแหละคือการลงโทษของอัลลอฮ์บนโลกดุนยาไปนี้นะครับแต่ว่าหลายคนไม่สํานึกตัวไม่รู้นะครับ เวลาอาดาบิลอาคิรอมัวตายไปแล้วเนี่ยก็ไปพบกับอาซาบที่หนักกว่านี้อีกอาชักกูอาชักกูแปลว่าอะไรนะร้ายแรงกว่านะครับอายาที่สามสบสี่ที่เราทบทวนมาวันนี้อายาที่สาสิบห้านะครับอัลลอฮ์พูดถึงคนชั่วเสร็จแล้วก็พูดถึงคนดีอ่าพูดถึงคนดีพูดไวยังไงคนดีก็ต้องรู้นะคนที่เตบาบ้าตัวต่ออัลลอฮ คนที่อิสติฟ้าตัวต่ออัลลอฮ์คนที่ดูแลสังคมเอาใจใส่สังคมคนที่นามาดขอลุอาต่ออัลลอฮ์คนรำลึกถึงอัลลอฮ์คนเรียนศาสนาคนที่เอาศาสนาที่เรียนมาเอาไปบอกต่อสอนต่อคนที่สบัดอดทนต่อภัยพิบัติต่างๆทั้งหมดแล้วนี่เป็นคนดีทั้งหมดนะครับคนดีนี่อัลลอฮ์สัญญาว่าไงครับ มาซาลุลจ at ah. ah. ันนติละตีวัวิดัลมุตตะกูนวยดัลมุตตะกูลหัวยดาแปลว่าถูกสัญญาวัอิดาอัลมุตตะกูลผู้อะไรนะผู้สำรวมตนจากความชั่วคนที่ไม่ทำบาปไม่ถูกสัญญาเอาไว้แล้วและสัญญาของอัลลอ์เนี่ย เป็นไงมะละอิมามก็อ่านตะกี้เนี่ยละยุคลีฟุลมีอาดสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เคยไม่เคยผิดสัญญาอัลลอฮ์ไม่เคยผิดสัญญ า, ออมมญญากับใครเลยนะครับถ้าว่างกดอย่างนี้ต้องออกแบบนี้แน่นอนทีนี้คนมุตตะตีนก็คือคนที่ออกห่างจากเรื่องชิริกมุตตะตีนเน่ยคือคนอะไรนะสํารวมตนจากความชั่วเนี่ยหนึ่งต้องไม่ทาชิริกสองไม่ผู้ไม่เป็นผู้ที่กุฟ ทำตัวทรยศต่อคำสามข้อเอาล่ะอ่านี่ใกล้ๆจะถึงวันอะไรเนี่ยวันอะไรนะวันอีดใช่ไหมนะล่ะวารยาลินาเฉลี่ยสิบคืนของเดือนสุลฮิจญาณเนี่ยเนี่ยนบีก็ทำอะไรทำอมามันอิบะาดาัดเยอะหน่อยสิบคืนสุดท้ายอะสิบวันสิบวันสิบสบคืนเนี่ยอ้าวารยาลินาเฉลีและคืนทั้งสิบเนี่ย เช่นกลางคืนก่อนะมาตอ่านกุรอ่านริกุรลุลล์ก่อนที่เราจะไปถึงวันอูกูฟหรือวันหรือวันอีดเนี่ยในช่วงนี้ให้มีอามันอิบาดาห์อยู่อ่านกุรอ่านริกุรุลล์นะนะครับนี่เราก็ทําตามทำทำที่มีความสามารถที่จะทําได้นะครับวะอวยได้มุตตะกูลคนสํารวตนตนต่อรอ น, นั่นถูกอะไรนะถูกสัญญาสัญญาว่าไงครับมาซาลุลจันนะ อุปมาของสวนสวรรค์ซึ่งได้ถูกสัญญาตกลงว่าสวรรค์นั้นถูกสัญญาไว้กับคนที่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยคำสัญญานี้เป็นคำสัญญาที่ถูกต้องไ้ยถูกต้องอัลลอฮ์ไม่เคยเบี้ยวสัญญาของใครไม่เคยฝืนสัญญาไม่เคยผิดสัญญาสัญญาของอัลลอฮ์นะครับตรงไปตรงมานะครับต้องการจะอธิบายว่าในสวรรค์มีอะไรบ้าง พูดบ่อยๆเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆตาจรีมีอะไรนะครับว่าไหลผ่านตาจรอดีมาว่าไหลผ่านมินต์ตทิฮัลอันฮาร์ใต้สวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ําอันฮาร์แม่น้ําหลายสายมันจะสายเดียวนะมีแม่น้ําหลายสายในตัปสิดอธิบายในในคุรานอธิบายเองบอกว่ า, วามีน้ําอะไรนะน้นานามนมําน้าน้ํานมอน้ํานมมี แล้วก็ลำเดียตะไค ย, ย่ไม่เสียด้วยนมไม่เสียหลายทั้งปีทั้งชาติแล้วก็น้ําพึ่งสามแล้วก็น้ําเหล้าแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำน้ำธรรมดาเนี่ยน้ําะไรน้ ำ, น, ำน้ำสะอาดธรรมดาธรรมดามีอยู่สี่สายนใต้สวนสวรรค์ในสวรรค์นัก็มีอาคารแล้วก็มีต้นไม้และใต้สวรรค์นั้นก็มีลําน้ําหลายสายหลายผ่านตลอดเวลา นี่คำสัญญาของอัลลอฮ์นี่นะครับเป็นจริงครับสวรรค์วันนี้มีย่งมีแล้วอยู่ที่ไหนอันาาลลอฮ์อัลเลาะห์ไม่รู้นะครับก็แต่นี้เวลาทําความดีอย่าไปแลกกับ ส, สวนสวนสวรรค์เพราะว่าความดีที่เราทํำนำมาดห้าเวลากับสมบัติอดทนเรื่องภัยพิบัติปัญหาต่างๆที่ตามมาจะไปแลกกับสวรรค์อย่าไป น, นึกเลยที่เราเข้าสวรรค์นี้นะเพราะเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ พอเราได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์นบีสอนอย่างนี้อสอนบ้างนบีหลายคนก็ถามว่าแลว้วก็ท่านนาบีเองด้วยหรือเปล่านาบีจะได้เข้าสวรรค์นี่นะไม่ใช่เพราะความดีที่ท่านนาบีทาเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์นบีก็ฉันก็เหมือนกันเพราะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงมอบสวรรค์ให้นะครับก็ขอให้เรานึกแบบนี้นะครับทำความดีทุกครั้ง อัลลอฮ์เล่านักบุญกูอ่านตอไปอีว่าอุกูลาา่าอุกูลาา่าหมายถึงผลไมา้เรียกว่าผลผลผลไม้ก็ได้ไมาอูกุลอูกุลแปผลไมา้ใน ส, นสวนสวรรค์เนี่ยมีผลไม้เยอะมีผลไม้นะครับนี่ชื่อนะชื่อเนี่ยเหมือนกันกับผลไมาบ้บนบนบนดุงยาแต่ว่ารสชาติ ไม่เหมือนกันรสชาติอร่อยมากที่เราทานผลไม้ในสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ทานเพราะหิวน ะ, ะเราทานที่ทานเพราะอะไรชิมต้องการจะชิมอาหารชิมผลไม้ชนิดนี้ผลไม้ชนิดนี้แค่ชิมอย่างเดียวนเะเพลิแล้วเพลินอีกแต่ว่า ไ, ไม่ใช่ทานเพราะหิวเข้าใจนะ เราอยู่ในสวรรค์แล้วอลัลลอฮ์มีผ ล, ลไม้มีอาหารหลากหลายตเต็มไปหมดเนี่ยนะเราไม่ได้ทานอาหารเพราะหิวแต่เราทานอาหารเพราะอยากท ด, ทดลองจะชิมอาหารชนิดนี้เหมือนกับโลกดุนยาที่เราทานไหมก็ชิมไปชิมไปชิมไปชิมไปอุกูรูฮ์ผ ล, ลไม้ของมันเนี่ยด้อิ่มด้อิ่มนี่แปลว่าอะไรนะมีไปตลอด ในฮะดิษอธิบายอย่างนี้วลาลยิบผลไม้เป็นเม็ดหนึ่งนะอันใหม่ก็ขึ้นขึ้นมาแทนหยิบไปพ็พวงหนึ่งไอ้พวงใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่พอหยิบออกมาเลยอัลลอฮฺสมัยนี้บรรดาเราเลาหมดแล้ต้องไปซื้ออย่ต้องเดือดไปซื้อที่ร้านแต่ในสวนสวรรค์นั้นพอหยิบออกแล้วก็มีผลไม้ใหม่มาแทนฮะดิษมีอธิบายไว้นะครับ ต่อมาครับวาซุลูฮาซุลูฮาร่มเงามีผลไม้กับไรนะร่มเงาอัลลอฮ์ร่มเงาเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันสุดๆแล้วนะซีลาลมาถึงร่มเงาเป็นร่มเงาไม่ร้อนไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีวมมความว่าหนาวเนตรกลางคืนจะหนาวไหมไม่มีหนาวลาลาเราณฟีฮาชาลชันเวลาจำฮาริรอพวกเขาไม่เห็นดวงอาทิตย์และไม่พบกับความหนาวจาก นะครับไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นดวงจันทร์แต่นี้เงาอลลยิ่งใหญ่มากครับหัมอยู่เลยละตัวเรวาอยู่ในสวรรค์อุกุลูฮาด้าอิมผลไม้มีไปตลอดวะเซัลูฮาแล้วก็มีเงานะครับติลกา อ, อุกบัดเดล อ, อุกบัลลดลซีนตะตเกาไม่คือผลตอบแทน อ, อุกบะแปล ว, ว่าผลตอบแทน ใครครับอัลลดฮฺนัดตะเกาบรรดาผู้สำรวมตนจากความชั่วนี่คือบรรดาเป็นรางวัล น, นี่คือ <c oughs> ผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่นี่ไงสบัสดอดทนคนที่ตักวาต่ออัลลอฮคนที่มีอีมานคนที่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮคนที่มีปัญหาแล้วก็อดทนคนที่ทำดีคนที่ลุกขึ้นนมาดคนที่ ติดต่อกับเพื่อย่าคนที่จ่ายสุดแวก็ทั้งหมดแล้วนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับแต่เวลาทําเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าอย่าทําเพื่อเพื่อโลกดุลยาเวลาทําต้องหวังอะไรนะหวังรางวัลตอบแทนจากอ AH. ัลลอฮ์เขาเรียกว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออ AH ัลลอฮ์ سبحانه และุ์ต่างล้มีอะไรบ้างมีผลไม้มีอาหารแล้วก็มีเครื่องเดิมผลไม้มีไปตลอดในหะดีษเป็นอย่างงี้นะครับ ท ian, ims, Muslim, ass, spread, zeug, ่านอิมามาบุคคลอิมามุสลิมท่าอิบน์อับบาสได้รายงานบอกว่านบีนามาดกุซฟนามาดกุซูฟนี่นามาอะไรนะนมาดสุริยค้ากลางวันกำลังนมาดอยู่ว่กอลุยารอูลพอนมาดเสร็จนบีบอกว่ากำลังนมาดอยู่ฉันเห็นคืออัลล์เนี่ยอะเสมอภาพสวรรค์กับภาพนรกให้เห็น กำลังนามาอยู่นะครับเห็นภาพสวรรค์กภาพนรกเรออาไอน้ากะตะนาววัลตุใช้อันบินมาก็เมียฉันเห็นนบีหยิบหยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นบีนามาศแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งซอบ้านนบีเห็นวันนี้ น, า ม, นามาศรู้สึกว่านบีทําไม่เหมือนกับนามาศธรรมดาทั่วทั่วไปนามาศนบีไม่เคยกล้าแต่วันนี้นบีก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งแล้วก็นบีหยิบอะไรไมสาสับ ดูสภาพหน่งนบีก็ถอยหลังไม่อีก 9, เก้าหนึ่งพอนมาเสร็จนบีก็ถามว่าไอซาบาถามว่านาบีหยิบอะไรนบีก็เล่าว่าฉันเห็นภาพสวรรค์ฉันก็กล้าวไปข้างหน้าเก้าหนึ่งฉันก็ไปหยิบมาพวงหนึ่งอะไรนะอ่า ง, งนลหยิบอ่า ง, งนลมาพวงเดียวถ้าฉันหยิบทั้งหมดนี่นะคนบนโลกวิญญาณเนี่ยทานเท่าไรก็ไม่หมดโอ้ีน่นบีพูดแค่นี้ฉันหยิบมันนิดเดียวพวงเดียว ใช่ไหมไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้โหถ้าท่านหยิบมาด้วยติดมาติดมือมานะพวกท่านอยู่บนบ น, บนุลนโลกบุญญาเนนี้กินก็ตลอดชาติเลยไม่หมดแย่นี้เป็นต้นนะครับอีกข้อดีหนึ่งนบีสอนบอกว่าชั้นนีน่นามาที่ละนมากูโซฟเนี่ยนามาสุริยคาตเนี่ยนบีก็ก้าวไว้ข้างหน้าแล้วก็ถอยมาข้างหลังพอนมาเสร็จมีคนถามว่านบีทําอะไรก็นบีก็เล่าอย่างนี้ประมาณสามสี่ข้อดีด้วยกัน นะครับอีกขดอทีหนึ่งนะครับท่านจาบิบินอับดุลลอฮ์ได้รายงานบอกว่าว่าท่านนาับีสอนบอกว่าชาวสวรรค์นเนี่ยนะเขากินเขากินนะแล้วก็เขาเดิมแต่ไม่มีน้ำมูกเวลายตาตมัคขวตูนไม่มีน้ำมูกไหลตัวนว่าไม่เป็นหวัดนะแล้วก็เวลายตาตกะวตูนกินแล้วไม่ต้องทาย ว่าไดยาบูลุ่นไม่ตรงชีตัวลงว่าไม่มีห้องน้ําในสวนสวรรค์นี่ไม่มีห้องน้ําก็คือมันต้องปวดท้องแล้วนะตัวลงว่าไม่ค้นส ง, สงสัยและไม่ไม่ชีไม่ทายไม่มีน้ำมูกกินแับเดิมตลอดแล้วมันหายไปไหนหมดละ่ะวันนี้ลองกินดูสิลองกินเยอะๆมันก็ต้องทายใช่ไหมไม่ทายก็อึอดอัดต้องเอายามาทายอายามากิน แต่ในสวรรค์ น, นั้นอัลลอะลัยฮิาลิให้พิเศษการเร่อครับตออาโมหุมยาลิกยุชะยุชะหมายถึงการเรอเรอมานิดหนึ่งนี่น ะ, ะเรอมาถึงการถ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็เงือที่ออกมาเนี่ยนั่นแหละคือการถ่ายทั้งหมดแล้วก็เรอแต่ละครั้งเนี่ยวันนี้ลงเรอดีสิมีกลิ่นนะกนลิ่นอะไรนะถ้ากิ่นบูดูก็ออาบูดูแต่ว่า อะไรนะเลยในสาวสวรรค์ในในในสวรรค์นี่กลิ่นคุยมิสกเหมือนกับลิ่นหอมของชมพูเชียงอัลลอฮฺอักบรนี่นบีเล่าเองครับยกกับอิหม่ามมุสลิมนะครับทีนี้กินอะาก็ตามแต่ขตัสตัสบีหนะสุบฮานุลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลฮ์มุลลาห์เป็นการละเลยหมดเลยพอกินกินกินพอกินประกาศสุบฮาน ل ลลอฮฺอัลฮ์มุลลาห์ เป็กนการย่อยย่อยไปในตัวเสร็จอัลลอวันนี้เอาเ่อเล่าให้ฟังก่อนว่าชีวิตในสวรรค์จะเป็นอย่างนี้อืมอาต่อมาอีกฮาดิษหนึ่ง น, นะครับอิหม่ามนาซนักเดออธิบานบอกว่าฉันท่านเจดบินอร์กอมได้ยินท่านนาบีสอนบอกว่ามีชายคนหนึ่งจากพวกอาลุลกีตาพวกใครนะพวกยิวหรือพวกคริสเตียนมาหาท่านนาบี มาพูดว่างี้ยาอับัลกอซมโอพ่อของกอเซมเอ๋ยเวลาเขาเรียกชื่อนบีดูสิไหมอับัลกอเซมพ่อของกอเซมเอ๋ย tas amu an adal jannah yaqoolu mu yasrubun ฉันมั่นใจว่าชาวสวรรค์เนี่ยกินด้วยแล้วก็ดื่มด้วยใช่ไหมในบบบอกว่าใช่วันละีนับสูบีมุฮัมมัดินบยดฮขอสาบานต่ออัลลอฮ์ที่นบีสอนนะครับอินนารุลมินหุม แค่จริงชายคนหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์นั่งเอาล้อจะให้กูว้วะความไรนะความแข็งแรงกูว้วะพลังความแข็งแรงเท่าไรมีอะรถยุร้อยคนให้พลังนะเท่ากับผู้ชายร้อยคนอยู่ในตัวคนคนเดียวร้อยแรงรอยแรงร มีอะไรบ้างแรงอะไรงบ้างฟิลอะคเรในการทานด้วยทานก็าทานเยอะนะแล้วก็วัชุดดื่มก็ดื่มเยอะวันจีมาจีมาด้วยนะจีมาหมายถึงร่วมหลับนอนอเพื่อสัมพันธ์จีมาวันเช้าวะแล้วก็มีอารมณ์อ Allah เลลนี่ยสีรายการขอจำจำไว้นานหนึอะไรนะอาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. อารมณ์ <Gibbs. S 2> อารมเพศเนี่ยนะแล้วก็นี่แหละสามารถที่จะร่วม Cos <that> หลับนอนกับภรรยาเฮอร์โรนไนน์ถามว่าภรรยาเรากับเฮอรุโนไนน์่ะใครสวยกว่ากันฮอร์นไนน์ก็หญิงชาวสวรรค์กับภรรยาเราเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วใครสวยกว่ากันให้ผูชาจําด้วยผู้หญิงภรรยาเราสวยกว่าเฮอรุโนไนน์อย่าไปมองผิดลรา มีคนถามว่าสวยทำไมจึงสวยมเมื่อเพราะอะไรเพราะรอยของการอาบน้านำมาร้อยสุดยร้อยอ่านอัลกรอรอุรอานไอร้อยรอ ย, รอยนี่แหละมันทําให้ใบหน้าของภรรยาเรานะสวยสุดๆใน ส, นสวนสวรรค์นี่วันนี้ลองไปดูสิภรรยาอายุหกสิบมันก็เหี่ยวรุ่นเหี่ยวนี่ไม่น่าดูเท่าไหร่เราใช่ไหมล่ะยิ่งอ้วนด้วยมีนุ่นมีนี่มีหูยงหวงยาบู่เต็มไปหมดนึกว่าจะภาพพิ่ในสวนรรค์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวาจลาจะเลียนให้ใหม่อัลลอฮ์ใสวรรค์อัลลอฮ์นี่ทให้สวยอย่างนี้เลยสวยกับเขาโดนกนี่ถ้าคนจะเรียนหัดิมาสบานใจนะครับให้คนที่ไม่เรียนนี่ยตกใจอัลลอฮ์นี่อะไรกันเรียนเอาไว้ก่อนดักเอาไว้ก่อนที่นบีพูดจริงทั้งหมดเพราะเป็นวาฮทั้งหมดนบีไม่พูดโกหกทั้งหมดเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอินลลิจยะกลูยบุยะกูนัลฮุลฮะ มีคนคนคริสเตียนถามนบีว่าแล้วไอ้คนที่กินกินกินไปที่ดื่มดื่มไปเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นอันตรายไหมปวดตัวปวดท้องไหมนบีบอกว่าอาการเลยของเขาคือการระเหยหมดเลยเหยนิดหนึ่งกล่าวสุบภานอัลลอฮฺลฮัมดุลิลละทําให้ร่างกายของเขาซมาดื่หมดเลยลฮัมดุลิลละตัวลงไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องส่วมลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอักบาร์ิ่งใหญนะครับ อีกข้อด er e ีหนึงท <icação> ่านอับด no <ut nine clich es>, ุลลบินมัสอาดลอลลอฮุอัฮได้รายงานบอกว่าอินนักละตอูอิลัตอฟิลันนะท่านสังเกตนะเวลาท่านเห็นนกบินมาเนี่ยพอบินมานี่นะฟยบนยไดเลามันร่วงลงมาตอหน้าท่านเนี่ยพอร่วงพัดหยิบขึ้นมาเป็นเนื้อปิ้งเนื้อทอดเลยอัลลอฮกลังบินบินมานี่นะ ทำมาร่วมแพะต่อหน้าเราเนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาสุกแล้วจะเอาเป็นเนื้อปิ้งหรือทอดก็นึกนึกเองอัลลอฮ์ก็ให้ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลลอฮฺอักบาร์อัลฮัมดุลิลลอฮ์นั้นทำแต่ความดีเถิดพี่น้องอย่าทําชั่วเลยนะอัลฮัมดุลิลลอมีฮะดิษเยอะนะครับเอาเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าแค่นี้สรุปค่ใช่ก็คือว่าอาฟาฮาซิบะตุม มนุษย์เนี่ยทุกคนที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยคิดหรือว่าอันนามาขลักหน้ากลุ่มอบัตันเราเนี่ยมาถึงอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยตามยะถากรรมกันนั่นหรือปล่อยแค่เขาคิดเองใช้ปัญญาเองกันนั่นหรือปล่อยอย่างเราปล่อยรู้ปล่อยควายอย่างนั่นหรือไม่ใช่ครับ ว่าอินนาว่าอันนักุมอีไลนาละตุลเจอนและในไม่ช้าเราจะให้เขาตายแล้วก็กลับมาอรวรุษพานหัวตาลาตกลงว่าเราเนี่ยไม่ใช่ถูกสร้างมาแล้วก็ปล่อยให้ใช้ปัญญาเองคิดเองไม่ใช่อัลลอฮ์เมตตาให้ใครนะให้คุรานมาให้นบีมุฮัมมัดมาฉะนั้นมุสลิมต้องต้องเรียนหนังสือมุสลิมต้องอ่านหนังสือต้องคน้นคว้านะครับตลอดเวลาเพราะอะรรัลัยมูความรู้ ที่มาจากอัลลอฮ์นั้นเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับไม่มีความรู้อะไรแล้วที่จะสะอาดเท่ากับกุรอานนะไม่มีไอความรู้ที่เรียนจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมาจากคนนั่นนะ่ะอ่ะที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยนั่นนะ่ะมันมาจากคนทั้งหมดไม่ทําตามก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อะไรที่มาจากอัลลอฮ์เราซูนเป็นวาฮีทั้งคู่เล ย, เลยต้องทําตามแล้วก็บรรกัตในชีวิตของคนที่ ปฏิบัติตามกู่อ่านหละสุนนะนั่นมีบาตัดกับชีวิตตัวเองมากครับต่อมาอายาที่สามสบหกนะครับเมื <c oughs> ่อตรงการจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าส่วนหนงของพวกยวเนี่ยที่รักอิสลามก็มี <c oughs> ว่าอคุบาลว่าอคุบาลกาฟิรินนั้นส่วนบ้านปลายของผู้ปฏิเสธนั้นคือไฟอคุบาลกาฟิรีนบ้านปลายของผู้ปฏิเสธคืออนนาคือไฟโอ้นรกลูกเดียวเลยถ้าไม่ต้องการจะตกนรก ก็ต้องเตาบาตัวต่อ Allah อิสติกฟ้าต่อ Allah หันมาใช้ชีวิตเหมือนกับที่นบีสอนั่นแหละมาเตาบาตัวกับเรือกับตัวนะครับมาทำความดีถ้าอย่างนั้นบ้านปลายของคนกาเฟก็คือไฟรนรกนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับพี่น้องเว้นแต่ Allah เมตตาคนบางคนบนลราของลามเราเราเร า, เราไม่รู้นะครับต่อมาอายาที่ส6สพวกยิวบางคนและพวกคริสต ดีใจที่อัลกรุรอานถูกประทานลงมาแก่นบีมุฮัมมัดเขาดีใจทำไมรู้ไหมเดี๋ยวอ่านอ่านต่อไปวัลลาีนาอัลในะฮุมุลกิตาบยาฟรฮูนับีมาอุนซีลาอิเละกะบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขา อัลกิตาบเนะีคืออัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์ก่อนหนะ้าคัมภีร์กุรอานอย่างน้อยกี่เรื่มดาวดซาบูดอินจีใช่ไหมนะให้แกพวกเยฮูดีกับนนสโรณีก่อนหน้านบีมุฮัมมัดในคัมภีร์ของเขาเหล่านั้นนะ่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดอาไว้เยอะมากเลยได้อธิบายโดยสาธยายเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดบอกว่าจะมีกุรอานมาอีกเล่มหนึ่ง ในคำพีของพวกเขานี่นะถูกบันทึกเอาไว้แต่ท่านคนที่อ่านคัมภีร์ของภูกเขาด้วยความเป็นธรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์เขาก็รออ่ะเมื่อไรค่คัมภีร์กลาอานจะมาและเมื่อไร่มุฮัมมัดจะมาเขารอกันอยู่มีไหมคนดีๆยังมีไหมยังมีอยู่ครับอ่ขอยกตัวอย่างมีใครบ้างก็คืออับดุลลอฮ์บินซาลาม คนนี้มารับอิสลามเ ป, นนนะเป็นคนยิวนะครับเป็นคนยโฮดีที่มารับนับถืออัลอิสลามแล้วก็ยังมีเพื่อนๆก็ อ, อีกหลายคนแล้วก็อีกคนหนึ่งนาจาชีกษัตริย์ของเมืองอิธิโอเปียนะนะครับกษัตริย์นาจาชีเนี่ยรับอิสลามเมื่อตอนที่ท่นนาดีส่งท่านยาฟัตเนี่ยไปเผยแพร่ อ, พ อ, พ อ, อิสลามที่เมืองอิธิโอเปียนะครับ แล้วกษัตริย์นาจาชีรับอิสลามแบบลับๆไม่มีใครรู้แล้วก็มีมีคนเอื่อยูประมาณ8ปดสิบคนรับอิสลามด้วยซึ่งเรื่องนี้อัลลอฮ์รู้วันที่กษัตริย์นาจาชีเสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครนมาดให้เลยพอเป็นมุสลิมท่านยิบรีนเนี่ยลงมาบอกนบีบอกว่ากษัตริย์นาจาชีเสียชีวิตแล้วนะนบีก็เลยนมาด ร, รออิบให้ นะครับพอจะมีนมาให้ก็จบตรงนี้แล้วเป็นหลักฐานบอกว่าถ้าหากพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งคนใดตา ย, ตายแล้วก็ไม่มีใครนมาให้เลยเนี่ยสามารถที่จะนมา ร, รออิบให้ได้นะครับสามารถทําได้เลยแต่นี้ถา้ามีคนนมาให้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนมา ร, รออิบให้แล้ว <c oughs> โดยอ้างที่ละกษัตริย์นญาชีเนี่ยนะครับเป็นกรณีตัวอย่าง ท่่ทัศน์ของอิหม่ามชาฟีท่านบอกว่าถึงจะมีคนนามาศแล้วก็ตามถ้าเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันคนรักใครกันเคยไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันเขาไปตายที่อื่นเราอยู่ที่บ้านเราไปไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะขอดุอาให้นี่เป็นทัศนะของใครนะของอิหม่ามชาฟีเท่านั้นเองอพี่น้องครับนี่งไงฉะนั้นยาฟระฮูนบีมาอุมซิลัยไลกะ นะครับบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขาจะยิวก็ดีหรือยาฮูดีก็ดีอยู่นอสรอนีก็ดีพวกเขายัฟรอหูนะดีใจไอ้เรื่องดีใจเนี่ยอัลลอ์เล่านะให้ฟังว่าอย่างน้อยก็อัมดุลลบเบนสาลามคนหนึ่งดีใจกษัตริยานาจาชีดีใจที่ได้เห็นอัลกุรอาน ล, ลงมานะครับเพราะในคำพี ของเขานั้นมีเล่าเรื่องนบีมุฮัมมัดเอาไว้แล้วก็มีเล่าเรื่องคัมภีร์กุรอานเอาไว้พวกคริสเตียนกับพวกยอหูดีนนะรู้จักนบีมุฮัมมัดในคัมภีร์อัลกุรอานอธิบายอย่างนี้ยาดีฟูนาอับนาอัลฮุมเหมือนกับพ่อรู้จักลูกอธิบายยังไงพ่อรู้จักลูกทําไมไม่พูดว่าลูกรู้จกักรู้จักพ่อ เพราะว่าพ่อเนี่ยเลี้ยงลูกมารู้ว่ามีใยที่ไหนมี่ใยที่ก้นอ๋อมีก้นมีฝยแต่ว่าลูกเนี่ยไม่รู้นิสัยพ่อเราไม่ใช่ยังไงก็ไม่รู้รู้ไม่หมดรู้ละเอียดะเอียดไม่ละเอียดฉะนั้นพ่อเนี่ยนะจะรู้นิสัยลูกอย่างดีว่าลูกคนนี้นิสัยเป็นยังไงฉะนั้นออเราได้เล่าในคัาภีค์อัลกุรอานอว่าคนยาฮูดีเนี่ยนะถ้าอ่านคัมภีร์ของเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจ พวกเขาจะรู้จักอิสลามหรือรู้จักน บ, บีมุฮัมมัดหรือจะรู้จักกุรานเหมือนกับพ่อรู้จักลูกแต่วันนี้คนที่เป็นยะฮูดีแตนสวรรค์ต่อต้านอิสลามใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> ต่อต้านอิสลามหมดเลยแต่คนดีมีไหมมีครับอว่ามได้บอกว่าใครแต่ที่เล่าให้ฟังก็มีอยู่อย่างน้อยก็มีอัมดูลลอบินสาลามคนนึงแหละนะครับ มารับอิสลามอีกคนหนึ่งใครถูกไหมกษัตริย์นาญาชีิวัติยาโลอันฮูราพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะเป็นบุคคลที่อลัลลอฮฺพึงพอใจนะครับ <c oughs> พี่น้องเราวันนี้นี่นะได้รับคัมภีร์อัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์คนที่รู้เรื่องของเรานะ่ะพวกคริสเตียนกับพวกยะฮูดีบางคนนะมาถึงพวกอุลมามะของเขานะ่ะรู้จักอิสลามดี ผ่านคัมภีร์ของพวกเขาเองแต่วันนี้คัมภีร์ของกลุ่มยาฮูดีกับนอสรลนีเนี่ยถูกสันคยานาไปแล้วใช่ไหมใช่พูดได้ดเต็มปากเลยฉะนั้นวันนี้เวลาเราไปนั่งฟังพวกยาฮูดีนอสรลนีอธิบายนะนะอธิบายคมภีรไบเบิเลเนี่ยอุลมามะเขาแนะนําว่ า, อ ย, าอย่าเชื่อทั้งหมดและอย่าปฏิเสธทั้งหมดเพราะเราไม่รู้ว่าอายาไหนเป็นของอัลลอฮฺ และอายาณ์ไหนเป็นของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเอาอะไรนะเอาอารอเอาความคิดเห็นเนี่ยใส่ลงไปในคัมภีร์ไบเบิลนั้นเต็มไปหมดแล้วจะนั้นคัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่อยู่บนโลกดุลยาดนนี้ mm hmm. เหลืออยู่เล่มเดียวนะ mm hmm. ที่ถูกรักษาอาราคาโดยอัลลอ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่วักเดียวหรือฮุรุฟเดียวหรืออักษรเดียวก็คือคัมภีร์อัลกุรอานเอาวิธี รักษาของอัลลอฮ์อัลลอ์อัลลอฮ์เก่งนาดูให้ฮาฟิษให้ฮฟินเนี่ยที่นั่งอยู่นี่มีฮาฟิษอยู่คนแหละเนี่ยนั่งซ้ายผมเนี่ยจำทั้งเร่มเห็นหมและในโลกนี้มัมนไม่มีเป็นมีเป็นร้อยรยล้านในอินเดียในปากีในไปต้องห่วงเลยว่าจะมีฮาฟิษน้อยมีฮาฟิษเยอะมากวันนี้เมืองไทยก็ผมว่าเกินเกินพันแล้วนะ ทำโดยเวลานี่ไงวิทยเกิการรักษาของอัลลอฮฺสุลตานอูวาตาละส่วนคัมภีร์อื่นๆที่มาจากอนะัลลอฮฺน่ะถูกสรรพยานาะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมดแล้วฉะนั้นเราต้องภูมิใจนะคัมภีร์อัลกุรอานนะครับฉะนั้นคนต้องอ่านกรรรรรรุรอานตกทบทวนกวรรรรุรอานเพราะเป็นคัมภี์เล่มเดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาใบนี้คำพีอื่นๆพูดแต่แต่มปากว่าหมดถูกสรรพยานาะหมดแล้วนี่คำพีอะไรนะ ของพุทธนะ่ะพระใจประดดกถูกจมน้ำนะ่ะ <c oughs> นะก็ไปช่วยช่วยกู้กันซะนะครับเดี๋ยวรักษากันไว้นะมันเป็นแนวทางแต่เมื่อเปรียบกับพระคุณอานมันก็ไม่ได้เพ ร, ราะพระุณอานมันของอัลลอฮ์นะครับต่อมาครับวม <c oughs> ใน ค, คุรานลอีกนะนี่เรื่องที่สองนะมีผู้ปฏิเสธส่วนหนึ่งนะครับมีผู้ปฏิเสธนะมีผู้ปฏิเสธส่วนหนึ่งปฏิเสธกุรานน่ะมีไหมมีกลุ่มหนึ่งศรัทธาต่อคุรานมีไหมมีนี่ผู้เรื่องผู้่ายฮุดีกับนัสราณีนะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ศรัทธาต่อคำพีคุราน อีกกลุ่มหนึ่งศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ศรัทธาเนี่ยที่เอาลอบอกเล่าให้นบีฟังแล้วเล่าให้พวกเราฟังเพื่อพวกเราจะได้นึกกลุ่มย ahu ดีนัสรอรีในวันนี้ น, นนะที่ศรัทธาต่อกุรอานมีไหมมีศรัทธาต่อด บ, บี ม, มุฮัมมัดมีไหมมีแต่ส่วนใหญ่ไม่ศรัทธามีไหมมีเราต้องนึกตลอดเวลานะครับเวลาเราเอาอิสลามไปไปเผยแพร่เนี่ยต้องสามารถตอบคําถาม ของยโฮดีและนรานีได้ด้วยนะครับมุฮัมมัดกุลอินนามาอุมิรตุอันอบับดะโลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเนี่ยอัลล์บอกกับนบีนะครับบอกถึงกับพวกเราด้วยอุมิรตุอินนามาอุมิรตูแท้จริงฉันถูกบัญชาทานเนี่ยถูกสั่งนะครับคำสั่งของอัลลอ์นั้นศักดิ์สิทธิ์มากครับ อัลลอฮฺสั่งว่าไงนะอันอาบูดลัลโล่ฉันจะต้องพักดีต่อ Allah, อัลลอฮฺองเดียวตัยรวมว่าไม่มีบาปอะไรที่จะใหญ่เท่ากับบาปตั้งภาคีบาปที่ไปหามโต๊ะเกียดนี่บาปใหญ่มากนะบาปที่มีปัญหาแต่งงานไม่มีลูกไปหาโต๊ะระยองนี่บาปใหญ่มากนะไม่มีก็ไม่มีมมแต่จะทำทาอะไรนะทำกี ف ก็ทําไปแต่ต้องหน้ามาสุจิของสามีนะไม่ใช่ไปซื้หน้ามาสุจิเป็นนักฟุตบอลน่ะไม่ใช่อันนั้นฮ ARAM เลยแล้วก็เป็นอะไรนั้นเป็นซีนาเอาอสุจิของสามีเราแล้วก็ให้เขาผสมกันในมดลูกอ่ะใช่ไมได้ในหลอดแก้วก่อนแล้วก็ฉีดลงไปในมดลูกอก็ก็ทํามันไปใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีมันจะไปลงทุนเป็นหมื่นแสนๆหอกนะหมดหมายหมายต่ออัลลอฮ์บ้านก็ได้นะครับ อ, อินนามาอูมิตุมุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวเถิดนะครับแท้จริงฉันเนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้ถูกบัญชาว่าอันอาบูดะลอฉันต้องเคารพพักดีอัลลอฮฺว่ลาอุชริกับิฮิและฉันและจงอย่าตั้งพาคีกับพระองค์เรื่องพาคีในเรื่องอาดาบใหญ่นะอัลลอฮฺบาดใหญ่นะเนี่ยไอ้ตะกุงตะกุดเนี่ยอย่าใส่ มาพูกคอบ้างผูกแขนบ้างแต่ท่านรกว่าไอ้ตะกรุดนี่มันช่วยเราได้นะมันช่วชีวิตตอนนี้พวกเราเนี่ยนะไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับเรื่องชีริกเท่าไหร่คนนี็ก็ฟังบอกว่าชีิอะไร <c oughs> ไม่รู้เอ๋อชีริกหมายถึงไปยึดสิ่งอืน่นสำคัญเท่ากับอ ok, ัลลอฮุ س ب า ا ن ه และเอาเนี่ยลูกจะถูกทหาร ไปหาใครนะลูกอะไรนะลูกกอกลูกกอกจ้าลูกกอกก็คนเด็กที่คลอดออกมาไม่สมบูรณ์อาลาตั้งเป็นพระเจ้าได้ยังไงะวะอลาอวตเนี่ยนะและ้วต้นกล้วย อ, ออกปีกลางต้นก็ไปบูชากันนะ่ะอาลาวถ้าชาปัญญานิดหนึ่งเขาจะไม่เขาจะไม่ทำอย่างนั้น เนี่ยมุสลิมเนี่ยต้องเอาอิสลามไปเผยแพร่ไปบอกไปเตือนนะครับแต่เวลาเตือนต้องเตือนโดยอัคราสดีๆมารยาทดีๆนะอย่าไปด่าเขาอะไรเขาไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับมารยาทมันมีนะครับอาตมาครับอิไลฮิอัดอุงฉันนี่นะเชิญชวนพวกท่านสู่พระองค์อิไลฮิอัดอุงพวกเราทำํำไปยัง เราต้องเชิญชวนนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์ทำหน้าที่เธอะนั่นการรําลึกถึงอัลลอฮ์ที่เ่าเคยฟังในตอนแรกก็มีอยู่กี่ประการนะสี่ประการหนึ่งเรียนศาสนาเป็นการรําลึกถึงอัลลอฮ์สองทบทวนอัลกุรอานเป็นการรําลึกถึงอัลลอฮ์ประการที่สามเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปสอนต่อเป็นการรําลึกถึงอัลลอฮ์และประการที่สี่ การรถึงเอารอบผ่านบท دعاء ต่างๆชาเช้านี่มีมีถ้าไเรียนตั้ซื้ก็นั่งอ่านดวงันเนี่ย سبحان อัลลอฮวะบิ d i سبحان อัลลอฮอลิว่าทุกวันเช้าก็ว่าเย็นก็ว่าไปนะโอ้โหนี่ไปนอครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเบื่อไม่ไม่เบื่อใจมันสงบใจสงบ และคนมีึหัวใจสงบตัวนึกตัวตอนตายด้วยนะมาลาอิก้ามาเชิญวิญญาณออกอุครูจีเชิญออกแล้ววิญญาณออกง่ายเหมือนกับน้นําในแก้วที่เราเทออกเนี่ยปุ๊บออกง่ายแต่ถ้าหัวใจที่สุกปรกหัวใจที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีอิสลามมาลาอิก้าจะมาเอาวิญญาณเนี่ยหลบได้ลบเอกหลบอยู่ในตัวนั่นแหละล <laughs> บนั่นละมาลาอิก้าตอนแรกต้องรอกระชากกระชากแรงๆแล้วก็มันเจ็บ เห็นไหมทำไมไม่ยากออกละ่ะเพราะว่าเห็นการลงโทษของอัลลอฮ์หลังจากถูกอาวิญญาณออกจากร่างเห็นการลงโทษทันทีทันใดท่า น, นอาซาบในกุโบมีไหมมีครับต้องขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอย่าให้ถูกลงโทษอาซาบบนดุลยาและอล า, าบนในหลุมฝังศพด้วยนะครับวายเลยมาอาลายามพระองค์คือการกลัดของฉันมาอาที่กลัด พี่น้องครับจะเป็นคนดีไม่มีศาสนาไม่ได้หรอกครับจะเป็นคนดีต้องมีศาสนามีศาสนาก็คือสนใจอิสลามสนใจสุนนะนบีสนใจอัลกุรอานต้องให้เวลากับการทบทวนอัลกุรอานนะครับพี่น้องครับวิธีสังเกตนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาบนโลกนี้นะ ไม่ใช่ให้มาไรไรไรนะไรเป้าหมายเนี่ยกำลังฝนตกอยู่ขณะนี้นะนี่ก็มีอาลามัตน้ำท่วมก็มีอลามัตรล้วมีเครื่องบินชนกันเครื่องบินตกคนตายเป็นอาลามัตทั้งหมดแต่ท่านเราจะศึกษาอาลามัตนี้ได้ยังไงก็ต้องขอดุทอศต่อร้อนนะครับมีคำมีคากรภาษาอาหรับบอกว่าฟาฟีกุ ล, ลิชัยอินลาหูอายาตุน ทุกสิ่งที่ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีสัญญาณแต่ดุนลวะและอันนาฮูวาไฮดุนชี้ว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวปัญหาจะเกิดขึ้นสามารถนําไปหาอัลลอฮ์ได้ว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มีเป้าหมายที่ให้เกิดปัญหาเพื่อเราจะได้ใช้ปัญญาาครับนำร่วมด้วยอัลลอฮ์มีเป้าหมายบัก เ, เป้าหมายครับเพื่อที่จะบอกเพราะจะบอกว่า ประชากรบรรดาเนี่ยให้สํานึกตัวต่ออัลลอฮ์แสดงว่ามนุษย์เนี่ยทำความชั่วไปเยอะทําความชั่วไว้เยอะเตือนมาถึงมุสลิมที่มใเอ า, าศาสนาเนี่ยมุสลิมที่ยังไม่ตือนมาสุโบโยุคขณะนี้น่ะถามว่าเยอะไปไมเยอะมากครับให้สํานึกตัวให้หมดนะครับให้อัลสุนานห์อบีมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเอาต่อมาอายาที่สามสิบเกดอายาเนี้ต้องการจะ อั Allah um ลลอฮยกย่องอัลกุรอานเนี่ยเล่มอัลกุรอานอยู่ในนี้ยกย่องยังไงดูครับว่าการิกอนซัลนาหูฮุคุมันอาโรบียะในทํานองในทํานองเดียวกันนี่แหละเราได้ประทานอัลกุรอานอนซัลนาหูเราได้ประทานอัลกุรอ า, าน al ลงมากุรอานทําหน้าที่อะไรบ้าครับฮุคุมัน เป็นข้อวินิจฉัยฮอกมันเป็นข้อวินิจฉัยเป็นฮุกโกเป็นหลักการสามารถเอาไปจัดการกับตัวเองได้ตลอดเวลานี่พี่น้องอ่านกูอานยอย่าเอากูอ่านไปจับคอนอะื่นจับตัวเองเรากูอ่านมาชา้ากับชีวิตเราไหมแล้วลต่อมาอีกกูอ่านเป็นอะไรครับอาร์บรียน เป็นข้อวิทย์นิชัยแล้วข้อสองเป็นภาษาอาหรับฉะนั้นลูกๆเนี่ยเรามีลูกต้องให้ลูกเรียนภาษาอาหรับคือต้องให้เรียนภาษาคุรานถ้าพูดได้อย่างดีใหญ่นะถ้าพูดไม่ได้ก็อ่านกุรานให้ออกมีนักวิทยาศาสตร์เขาได้วิจัยกันแล้วว่าคนที่รู้ภาษาอาหรับเนี่ยคนนั้นฉลาด เด็กที่รู้ภาษา阿拉伯นะที่พูดภาษาหรับที่อ่านภาษาหรับเนี่ยฉลาดยิ่งท่องจํากุรานด้วยนะพอจบแล้วเรียนวิชาอื่นง่ายยิ่งเรียนแพทย์ก็ง่ายเรียนพวกวิศวกวิศวะดีง่ายหมดเลยนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยผ่านการท่องไอ้คุรานมาแล้วฉะนั้นอัลาลอฮาให้บริกัรกับภาษา阿拉伯ในก็ดูกุรานเนี่ยเข้าขึ้นมาในอาราบียัน เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นข้อวินิจฉัยสยังไม่พอเป็นภาษาอาหรับทำอยูลล่เวลาไปนองท่านต้องส่งเสริมลูกเราให้เรียนภาษาอาหรับแต่เนี้วันนี้ครอบครัวเราเนี่ยให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษามากกว่าภาษาอาหรับใช่ไหมเสียค่าอะไรแต่ค่าอทิทอเชันนี่นะแพงเลยไม่มีปัญหาเลยลูกได้าภาษาอังกฤษ แต่จะเอาครูที่รู้ภาษาอับมาสอนลูกชายที่บ้านหรือลูกสาวเนี่ยสดงตังไม่อยากจะให้ลูกเรียนนี่เราไม่เข้าใจกูอ่านี่มาคนเหมือนมาญานี่สอนนะกูอานเอารัฐานลงมาเป็นข้อวินิจฉัยเสร็จแล้วเป็นภาษาอับทีที่ภาษาอับเนี่ย บางคนฝันเป็นภาษารับมีนะเขาอลลฝันเป็นภาษาดับพอตื่นมาเนี่ยเขียนไว้เลยแล้วก็มันระตรงกับคุราน ม, มีหม ม, ม, ม, มีหลายคนกำบนื้กับตัวเป็นคนดีกันเยอะแล้วทำอยู่ลิ็แล้วนะครับเอาต่อมาครับวายอินิตาบาตาอหวอหุนอันนี้สามบรรดาผู้รู้นะอุลมามะพวกท่านที่นั่งนั่งอยู่เป็นอุลมามะทั้งหมดเนี่ย วลาอินิตตาบะเตาถ้าหากท่านปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำมีคุรานมาแล้วไม่ปฏิบัติตามกุรานแต่ไปปฏิบัติเชื่อตามความคิดของคนอื่นเอาความคิดของคนอื่นที่ถูกเขียมนมาตำราเต็เมไปหมดนี่หนังสือเยอะไปหมดเราอ่านหนังสือเล่มที่ที่เป็นอารอเป็นความคิดของคนแล้วเราก็เชื่อตามนั่น แต่ส่วนกณูร์อานนักเป็นเท่าขุมมันเป็นข้อวินิตรัยเราไม่เอาแต่ไปเอาความคิดของคนที่ถูกเขียนในอยู่ในตําราเล่มอื่นๆเนี่ยเอาเราสารนาะงระวังให้ดีนะระวังไม่ดีอย่าไปอ่านอันซื้อเล่มอื่นนะอ่านได้แต่ต้องมีความรู้ก่อนถ้าไม่มีเนี่ยไปเชื่อปั๊บเนี่ยพอเชื่อความรู้ที่มาจากความคิดของคนเนี่ยมันไปขานากับอัลกุรอานและสุนัขท่านนบีนะครับ พูดกันง่ายๆก็แล้วกันอย่างเงี้ยวันนิสฟูชาบานอ่านนิสูชาบา น, น, น, าบานพวกเราก็พอ ว, วันนิสฟูเนี่ยถาคนคนมขนมกันมาเต็มเลยทีนี้แอนนิูชาบานเนี่ยตามสุนนะนาบีมีไหมไม่มีเดือนชาบานทั้งเดือนนะ่ะเป็นเดือนที่นะบีถือศินอดมากที่สุดแต่จะไปเจาะโจงเฉพาะคืนเดียวนะ่ะมันเป็นอาราเป็นอะไรนะเป็นความคิดเห็นของผู้คน ที่ถูกเขียนลงมาไว้ในตําราแต่สุนทร น, นาบีที่มาจากอัลลอฮ์เราซูลเนี่ยเราไม่ได้เอาไม่อ่านเนี่ยพอไม่อ่านป้าผมก็เลยนะมันก็ไปทะเลาะกันเนี่ยระหว่างวาฮีของอัลลอฮ์กับความคิดของมนุษย์เนี่ยมันไปทะเลาะกันไปตีกันเองบ้านเดียวอีกคน เ, นเอาสุนทร น, านาบีภรรยาเอา์เอาความคิดเห็นของอะไรนะของคนทะเลาะกันในบ้านนะั่นแหละ เป็นยังฉะนั้นถ้าเรายึดคุรานยึดสุนนะอิชอัลลอฮฺปัญหานี้ไม่เกิดนะครับอัลลอฮฺสั่งวะละอินิตตะบะตะอาหวาหุมแต่หากท่านทั้งหลายเนี่ยนะปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำอาหะหมายถึงอารมณ์ความคิดเห็นของพวกเขาบะาดามาเจอาตามีนาลอิลมีหลังจากที่ได้รับความรู้อืม หลังจากที่ความรู้ได้มาอย่างท่านแล้วความรู้ก็คือความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและความรู้ที่มาจากสุนัขท่านนาบีสองอย่างนี้เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์สว่วนความคิดเห็นของพวกคนเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็ปฏิบัติไปก่อนถ้าค่อยๆเรียนไปค่อยๆปวดทิ้งทีละน้อยลนละน้อ ย, อ ย, อยเอาเฉพาะสุ น, า น, นาัขนบีกับกูอรอ่านมาใชา้ในชีวิตประจําวัน อย่าเอาประเพณีปฏิบัติมาใช้ในชีวิตประจำวันมวเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งจากนราธิวาสโทรสารมมเพราะว่าพอมาดูทีเอ็มทีวีเพิ่งเข้าใจสุนนะที่ชาวบ้านปฏิบัติกันอยู่เนะี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติใช่ไหมเป็นประเพณีปฏิบัติมันไม่ใช่สุน น, นะนบี ทีนี้ถามว่าประเพณีปฏิบัติเนี่ยทิ้งยากไหมยากภาษามลายูก็มีพูดไว้ทิ้งอะไรก็ทิ้งหมดแต่ทิ้งประเพณีไม่ได้ <c oughs> ของที่พูลพ่ยาผู้ใหญ่ทำมาเนี่ยอโลมันเกาะสนิทเลยฝังลึกอยู่ในหัวใจจะอัลสุนาห์นาบีถูกปัญาว่าอะไรบ้านคณะใหม่พวกว่ า, วาบีโอโลสารพัดท่านทายเลยไม่กล้านะไม่กล้อาอัลสุนาห์นาบีมาใช้ อ้าวใครลองเปิดอบรมดูสิแต่ชาบา้านแอนตี้เนี่ยเราอัลอบัตเข้าหน้าพวกไม่ได้อะเห็นไหมแค่ท่นสุนทร น, นาบีเนี่ยคนที่จะเอาสุนทร น, นาบีมาสอนเรื่องุรานมาสอนเนี่ยมันต้องอดทนสูงแล้วหูมันก็ต้องหนักสูงแล้วก็ต้องมันก็ต้องมีสตังด้วยนะเพราะไอ้ความีสตังคนมันก็เกรงเกงเหมือนกัน น, นนะนะครับเอาละเราไปความแค่นี้ก่อน แย่อาจจะมีหลายมีหลังจากความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มายังท่านแล้วเนี่ยควรจะเอาความรู้ที่มาจากอัลลอฮและลซุลไปตั้งลี่ต่อไปสอนต่อมาแล้วจะมีอัลลอฮฺมิมวาลียิวาวาลวะกกไม่มีผู้คุ้มครองวาลีไม่ผู้ผู้คุ้มครองนะโะวาลีเนี่ย ที่เราเลือกโตะตะเกียวกับโตอวาลีเพราะเรามั่นใจว่าโตโตตะเกียรคุ้มครองเราได้ฉะนั้นคัฟิร์กูอ่านตรงนี้อธิบายชัดว่าไม่มีผู้คุ้มครองใดๆไม่มีโตตะเกียรไม่มีโตะะอะไรงอมไม่มีโตนั่นโตนี่คุ้มครองมนุษย์เวาลาวาละไม่มีผู้ช่วยเหลือให้รอดจากอัลลอฮ์ได้ฉะนั้นโต จะบงเจ้าแม่กด อ, อ, อุ่นกวนอินเจ้าแม่อะไรดังดั่ที่อยู่ในโลกนี้นี่นะช่วยอะไรไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ที่พี่น้องพวกเราชอบพูดกันอยู่นะนั่นก็ให้อะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเองนะครับต่อมาอายะที่ยาสุดท้ายนะครับ วَ่แล้วพอได้อารสัُนะรุส مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ك กโดยแน่นอนจึงเราได้ส่งบรรดาร ر س ูลก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดตัว่องว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่เป็นร ر س ูลคนเดียวนะเป็นร ر س ูลคนสุดท้ายก่อนหน้านบีมุฮัมมัดมีร ر س ูลมาก่อนแล้ว เราไปสืนมาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดน่ะมีใครบ้างน่ะรู้มาที่ถูกฆ่ามีบ้างนาบีที่ถูกฆ่ามีไหมมีครับอ่ามีมี ม, ม, ม, ม, มีนบีถูกเรือยอะ่ะฉะนั้นเวลาเรามองเนี่ยนะอ้าวฟารโรฟารโฟารโเรามองฟารโรฟารโรเป็นศัตรูของใครอ่าเป็นศัตรูของนบีมูซ่าเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยอัลลอ์ไม่เคยให้ฟารโร ปวดหัวแม้จะข้าเดียวไม่เคยจามอเชอื่อนี่ไม่เคยผมอ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่งไม่เคยป่วยไม่เคยปวดหัวเลยทั้งชีวิตอลัลลอฮ์รักหรืออลัลลอฮ์เกลียดคนนั่นอ่ะอลัลลอฮ์เกลียดดูใจอัลลอฮ์น่ะเป็นสัตว์ตัวของอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์ให้ยันไห น, นะไม่เจ็บไข้ใดป่วยอานั้น์พี่น้องพออ่านตรงนี้ตรงนึกนะ เออเราเนี่ยทั้งปีปีนี้ไม่ได้ป่วยเลยเนี่ยอัลลอฮ์รักเลยอัลลอฮ์ชากันไงรู้เนี่ยมันต้องนึกไอเจ็บเจ็ไข่ไข้ขป่วยๆเนี่ยมันของดีนะอัลอ <laughs> อลอฮ์อัลลลลอฮ์อาารักอัลลอฮ์เตือนอ้าวฟาโร่ไม่เคยป่วยเลยยังแถมยังให้อีกให้เงินให้อะไรอีกให้อำนาจให้อะไรอีกให้สารพัดเลยแล้วก็ปกครองอียิปต์ทั้งประเทศแล้วก็กดขี่พวกบนันิอิสลออิน ห เ, เห็นไหมพี่น้องเห็นยังอ้ามานบเบียตะกี้เล่ามาตะกี้ที่ถูกพาเนี่ยถูกเลื่อยน่ะนั่นนับีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักแต่ปัญหามาไม่เต็มเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เงินใครร่ำรวยเพราะอัลลอฮ์รักคนนี้ให้จนอัลลอฮ์เกลียดไม่ใช่ให้เพื่อการทดสอบทั้งหมดเลยให้รวยเกิดเป็นการทดสอบให้จนเกิดเป็นการทดสอบฉะนั้นการทดสอบของเรานั้นต้องต้อนุก พาดะอิบิตะมินอัลลอฮนี ah, ่เป al ็นการทดสอบแต่อัลลอฮ์ส ja ุภาห์นัวตาเลจะวางตัวเขาให้อัลล์รักตองนึกครับนึกตลอดเวลาเวลาถูกมุสีบ้าทำไงครับอย่าลืมอัลลอ์ต้องนึกว่านี่มุสีบ้านี่มาจากอัลลอ์ถ้านึกอันนี้ได้นะเบาไปนิดนึงก็จะกล่าวว่างนตามมาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอ์ให้มาถ้ามันหนักก็อินนัลิลลาหอิวะอินนัลอิลฮิรอิอู ถ้าน้ำพาบ้านรถพังไปอัลลอฮุมมะจุนีฟีมุซีบัตีวะคลุฟลีคอยรมินฮะมันตามเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนเนี่ยนึกถึงฮะดิษบทหนึ่งเวลาอาลัลลอ์ให้มาลาอิกะ้งมาเก็บวิญญาณลูกเราใครที่มีลูกตาตัวเล็กๆมีไหมนะอ้ะาวท่านนี้เนี่ยมันจำง่าย พอเก็วิญญาณเสร็จแล้วน่ะเอาลอให้มะเลยาจขึ้นไปเข้าฝ้าวิญญาณของเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่นะอัลลอฮ์ถามว่านี่นี่ตอนที่มะเลยาไปเอาวิญญาณลูกของเขาอ่ะยังเล็กๆอยู่เขารักมากอะและเป็นลูกคนเดียวด้วยเนี่ยพ่อแม่เขาด่าฉันหรือเปล่าใช่ไหมมะเล้าบอกชมท่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราะจิม นี่มรดการเล่าตรงตัวเลยเราพูดอะไรมรดการเล่าหมดพอเล่าเสร็จแล้วอัลลอฮ์พอใจเราว่าอิบอิจอิอจอันใบตันสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับคนคนนี้ให้กับครอบครัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อบ้านว่าใบาตุลฮัมดีใบตัลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญของอัลลอฮ์สร้างบ้านสร้างเลยสร้างเตียงไว้เล ย, เลยฉท่านพี่น้องครับอะไรที่เรานึกอะไรที่เราพูดตรงนี้นะข้างบนรู้หมด มรัยการายงานหมดฉะนั้นอย่าทำอะไรอย่าพูดพลอยๆอยอย่าตำหนิอะไรประามที่ออกจากปากเรานั้นถึงเอาเล่อหมดมลัยการเล่าให้ฟังหมดเพราะจึงไม่เล่าว่าลอกก็รู้แต่ให้ที่เล่าเนะ่ยให้เป็นพยานในวันเตียมาด้วยไงนะครับ ว่าล้วก็ได้อาลนารุสูลามิงกบโดแน่นอนยิ่งเราได้ส่งบรรดาโรซูลได้แต่งตั้งโรซูลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอเมริกาส่งนะอัลลอฮ์ส่งนะทฤนี้การส่งรอซูลไม่ใช่ไม่ใช่ส่งแบบแบบอะไรนะแบบอะไรเลือกตั้งอ่ะไม่ใช่จะเลือกก็ได้นะเลือกพัฒนาทิบดีหรือเลือกนายกนะมันเรดาต้องลงคะแนนใช่ไหมแต่เลือกของอัลลอฮ์นั้นมันอีกระบบหนึ่งไม่เหมือนกัน นะครับแต่การเลือกตั้งที่อัลลอฮ์ให้นี่ก็มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันนะนะครับว่าจะเอาหนาละหุมอัจวันและเราได้ทำให้เขาให้บรรดานับีทั้งหลายนั้นมีภรรยามีภรรยาไม่มีภรรยาได้ไหมละ่ะมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะคนไม่ไม่สมบูรณ์เพราะมีภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบละ่ะจะมีมีภรรยา หลายคนขอฟ้องเลิกเพราะผัวไม่ได้นะไม่จ่ายนะฟกฟ็มีไหมมีอัลโหลอักบัตเมื่อเวลาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีการเงินการทองดีต้องสงนะฟก็ด้วยนะอย่าคิดว่าภรรยารวยมันเลี้ยงหมดที่ไหนได้ไม่ได้ผู้หญิงเบื่อขอเลิกทันไม่เอาแล้วและอย่างตอนตนอนกลางคืนอาบน้าด้วยนะ อย่านอนโดยไม่ได้อาบน้านะผู้หญิงก็เบื่อนะ่ะเขาไปทำงานมาก่อนเหนื่อยอยู่แล้วมาเจอสามีเหม็นอีกคนแรกๆก่อนมตาตัดอีกโลเอักวะว่าทำไมทอยางเงผิดสุน้านาบิทั้งหมดเลยแคะนั้นต้องจ่ายสนับปกเก็บมันนี่ค่ะใจจ่ายแต่งตัวสะอาดๆจะเข้านอนต่อพูดจ้าดีๆเคยเอาอาหารใส่ปากภรรยาบ้างเปล่าหรือให้ตอนน้กนขาขก่อนนิกะ พอดีกาเสรแล้วนี่มาของฉันมาต้องให้ก็ได้เพื่อน้องท้าเถอะหลังจากมี้กาเนี่ยแหละเอาอินพารามใส่ปากภรยาภรยาก็ใส่ปากสามีมันบรรยากาศน่ยแล้วก็ในครอบครัวภนะรยาต้องแต่งตัวสวยๆห้วยนะต่อหน้าสามีนะโป๊ๆหน่อยก็ได้มีปัญหาหรือรู้ว่าการแต่งตัวเนี่ยมันเหนื่อยก็แต่งชุดชุดอะไรชุดพมา่อาอดทิตย์นี้พามาอาทิตย์น้าอินเดีย ที่หน้าก็ขเขมนแต่งหลายๆชุดหน่อยบรรยากาศนี่พราะครอบครัวมันมันไรนะเบื่อเบือที่พ้านไปเช่าโรงแรมนอนมันก็ได้เพื่อนอะไรไปโล้แล้วกนะ็บริจาคไปทําอะไรบริจาคไอ้คนกาเฟ่นอนนอนที่บ้านมันเบื่อใช่ไหมนอนโรงแรมอนี่คูให้ฟังมาต้องทําก็ได้เราะไม่ใช่สุ น, นหน้าทำดีน ะ, ะต่อไปครับ อลวาะให้นบีมีภรรยาแล้วสนใหญ่นบีมีภรรยากี่คนโห<ฮ>ใจใหญ่นะุภรรานาบีใจใหญ่นะแล้ววันนี้นะผู้หญิงมันเยอะกว่าผู้ชายแล้วทําไงพี่เลมทําไ ง, ง <laughs> ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหม เอาไปนั่งคิดเองวิธีแก้แก้อย่างไงวาซุรีนะต๊นแล้วก็มีบุตรใช่ไหมให้ภรรยาด้วยให้บุตรด้วยเจ้นี้ดูแลบุตรทํายังไงน บ, บีสอนไปเลยเวลาเตือนลูกทํายังไงเวลาโมโหลูกทํายังไงอย่าแสดงเยอะต้องอดทนหมดอย่ลาลูกมันดด้วออย่าไปใช่เห็นหน้าไอ้มัสปบปบดาไม่ใช่ไปอาบน้านมัสกาก่อน น้ำมาสองล้เราก็อาจมีเรื่องหนักใจจะต้องคุยกับลูกไป น, น้มาก่อนขออุญาตตอนรอก่อนอามามานั่งคุยกับยอดน่ะคุณพ่อหน่อยคุยดีๆก่อนจะพูดก็ขออนุอาตตอนร่อยรอวันนี้เปิดใจลูกให้วันละพ่ออบรมแล้วให้ลูกเข้าใจแล้วนำจะไปปฏิบัติมันต้องของอนุญาตตอนลอมันไม่ใช่อยู่แบบเก่าๆที่เราได้มาจากยอดเราเคยตีเราใช่ไหมสบายกนอนแะน่ะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วตีมาๆเพลเลยนะ่ะ พอเพลนล้วแกปวดหัวอยเงี้ยมาตามลูกที่ไหนอ่ะไปแล้วใช่ไหมด้านต้องอาศัยซุนนะนะบีนบีไม่เคยตบหน้าลูกนบีไม่เคยด่าลูกไม่เคยด่าภรรยานบีจะพูดดีๆกับภรรยาตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้อภยยะยะัยเยอะๆนบีสอนว่าไงรู้ไหมอัลฟูรันฮากุลลยาอเมนสบายนามาร์รอให้สามีมองข้ามข้อผิดพลาด ข, ของภรรยาวันนึงกี่ครั้งเจ็ดสิบครั้งนี่ซุนนะนะบี น บ, บีให้อภยัยน บ, บียี่งนน้องหวังทั้งหมดนั้นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เอาต่มากับวาจาและหุ่มอัจวาจันอัลลอฮ์ให้น บ, บีแต่งงานมีภรรยาแล้วก็มีบุตรวามากานาลิรอซูลินไอยะตียบิอายะและไม่พึงไม่มีหน้าที่รอซูลนั้นไม่มีอำนาจที่จะนำมาซึ่งมุอะจิสาต่างๆได้ นบีไม่สามารถจะนำมัอวจิดามมาสแสดงนึกจะนำก็นำได้ไั้มไม่ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺบอยกตัวอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะที่คนยฮูคนกาเฟตสองคนใช่ไหมน่ะอบูยฮันกับใครนะกับอัมดุลลอห์บนนอุมัยยะเนี่ยส่ง อ, อุมัยยะไปหานบีนบีก็มาคุยขอสามเรื่องขอว่างไงนะ ให้ภูเขานั่นขยายภูเขาเลื่อนภูเขาออกไปให้นครมากกว้างใหญ่แล้วจะได้ปลูกนู่นปลูกนี่มีตาลงตาน้ำขึ้นมาจะได้สวยเย็นแบบสุเหล่ารอก้าแล้วก็อีกข้อหนึ่งขอไงนะขอให้ทนแบบนาบีโุเลมานจะไปไหนมาไหนมีลมพาไปพื่ถึงแบบสมัยนี้เอาละให้แล้ว แล้วก็ขออีกข้อหนึ่งขอคนที่ตายไปแล้วอ่ะให้ฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าว่ามุฮัมหมัดเป็นนบีจริงเบาพอนําเสนอนบีสามเรื่องไองานอย่างนี้ไม่ใช่งานของนบีงานของใครงานของอัลลอฮ์นบีก็พูดว่าฉันไม่มีความสามารถอ่าไม่มีความสบายคุมไม่ใช่ น, นบีจริงเห็นไหมฉะนั้นเรื่องมุจิษา์นาบีนาอามาเองไม่ได้ต้องได้รับการ อนุญาตจากอัลลอฮ์รักขัฟิรุกอ่านอธิบายว่าก่อนหน้านี้มุฮยิสซาใช้ก็ให้มาแล้วเช่นผ่าเดืนเอนใครทําได้อ ม, ม, มุนหมัดก็ทําให้เห็นแล้วมันยังไม่เชื่อเลยเอา้าให้น้ำไหลออกมาจากอะไรนะจากมือทั้งกินทั้งดื่มทั้งอาบน้ําละหมาดครบมันยังไม่เชื่อเลยเนี่ยมยุฮยิสซาอย่างนี้เนี่ย อัลลอ์เป็นคนเป็นผู้จัดแต่เพียงผู้เดียวนบีไม่มีความสามารถนะครับที่พวกนี้มันก็ขอนะววามากันะหรือว ok um ่าสุลินอายะติยาบีอายัดินอิลลบีอิสเนลนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮ์เสียก่อนอายะสุดท้ายเนี่ยอายะนี้ควักนี่ดีลิกุลลิอาัลินกิตะลิกุลลิอาจัลินสำรับ คือทุกๆวาระทุกๆข้อกำหนดทุกๆการบันทึกมีแล้วนะมี่มีข้อกำหนดที่ตายตัวคือไปงี้ทุกๆคนเนี่ยมันมีอายันของมันอยู่แล้วอายันแต่ละคนแต่ละคนถูกกำหนดไว้แล้วอ้าวอายันของท่านวันตายอรรรู้ไหมรู้วันหมดอายุอรรรู้แต่แล้วไม่รู้ทุกสินทุกอย่างมีวันหมดอายุอ้าว ทันฟ้านี่หมดอายุไหมหมดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะร่วงใช่ไหมรู้แล้วเรื่องเมื่อไรไม่รู้แต่มีวันหมดอายุเราเองมีวันหมดอายุเมื่อวานในคลายใจสัสยอวันอายุเพียงห้าสิบสองเองเขาลังนุ่มเลยไม่มีใครรู้ใช่ไหมแล้วในคุปโคลอานายานีเจ้า ก, การจะบอกว่าลีกุลลีอาจาริงกิตะทุกๆุกอาจารย์ญญนั้น มีวันหมดกำหนดมีวันหมดอายุและถูกกำหนดเอาไว้แล้วฮัดิสเป็นอย่างนี้ฮัดิสบอกว่ามีอยู่สี่ประการนะสี่ประการริสกีเนี่ยริสกีนี่ถูกกำหนดเปลี่ยนได้ไหมได้ อายันนี่ก็ถูกกําหนดเปลี่ยนได้ไหมได้เปลี่ยนได้ด้วยอะไรรู้เปล่าด้วยดวงอาเปลี่ยนได้ด้วยดวงอาท่านคนที่ขอดวงอานะครับให้ทิสกีเพื่อนยอโลเพื่อนดิ้ง น, ย อ, นยอยท์เออรออัลลอเมตตากรองให้ล้วก็ไม่รู้อื่นเหมือนกันอายานกเหมือนกันนะความตายของเราเนี่ยยอรอขอต่ออายุนิดนึงมันจะต่อโดยการทําบุญทําบุญเนี่ย คือในปุชาบาลนะ้นไม่ใช่ไปนอกนี่ไนงะทำความดีกับพ่อแม่ตัวเองติดต่อกับเครือญาติตัวเองเครือญาติมีสิบสบิสิบคนนะอธิบายให้ฟังเลยใช่หมหนึ่งใครนะพ่อสองแม่สามลูกชายสี่ลูกสาวห้าลูกเขยหกลูกสะใภ้เจดพ่อตาแม่ยายแล้วก็พี่พี่น้องๆองของพี่พี่น้องๆของเราเนี่ย น้องน้องของพ่อเราอ่ะใช่ไหมพี่น้องของพ่อกับพี่น้องฝ่ายแม่เนี่ยนั่นแหละเป็นญาติข้าชิจะต้องไปมาหาสู่ติดต่อกันเนี่ยทำความดีแบบนี้สิอายุยืนยาวนะครับส่วนส่วนอะไรนะชะกอวษาเดะจะเป็นคนดีจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนชั่วนี่อลัลลอฮ์ไม่ไม่เปลี่ยนเราต้องทำเองใช่ไหมตัวลงว่าเรานี่นะ ให้รวยให้จนเนี่ยเอาละกำหนดจะเป็นคนดีจะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนชั่วอยู่ที่ตัวเราเองนะจะเป็นคน إ ي มานต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะเราต้องทำเองอ้าวอะไรบ้างสังเกตนะคนที่เป็นคนดีเนี่ยเวลานึกจะทำความดีเนี่ยมันจะนึกแล้วก็ทำได้ง่ายๆอัลลอฮ์เมตตาคนเองเช่นได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดเดินออกจากบ้านง่ายน่าดูเลยไม่มีอุปสรรค แล้วก็สังเกตนะถ้าเราเป็นคนไม่ดีนะ่ได้ยินเสียงอาญาทีุ่เรามาไม่ได้เนี่มีนู่ น, นมีนี่มีนี่นแล้วใจก็ไม่อยากจะมาด้วยนั่นแหละนั่นแหละมองเป็นลางบอกเหตุว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกเป็นคนเลวพอสมควรฟาซานุยัสิรุลิลยุสรอคนดีอลัลลอจะให้เขาทำความดีแบบง่ายได้คนชั่วอลัลลอจะให้เขาทำความชั่วแบบง่ายได้นะครับ เอาข้อสุดท้ายย้ำอุลลอฮุมายาชะอัลลอฮ์ทรงขจัดขจัดหมายถึงลบลา้างหรือว่าขจัดศัตรูของอิสลามขจัดความไรความทุกข์ขจัดความจนได้หมดและนะครับยัำอุลลอฮุมายาชะอัลลอ์ขจัดให้หมดไปหรือลบล้างให้หมดไปนะครับที่พระองค์ทรงประสงค์ ว้ยุสบิตุและก็ทรงตั้งให้มั่นคงก็ผู้ที่อ AH ัลลอฮ์ทรงทรงสรงทรงประสงค์วอินดารูอุมมุลกีตะและที่พระองค์คือรากฐานของคำพีคือคำพีนี่อยู่ที่พระองค์เป็นที่มาของคำสั่งทั้งหมดมาจากอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหูอัลาลาอธิบายสั้นๆอี่เป็นอย่างนี้เวลาขอดุอาตอรอเนี่ยนะ ดูอาเนี่มีอยู่ห้าอย่างนะครับหนึ่งขอแล้วได้เลยนะขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ได้ช้าทำไมได้ช้าละ่ะเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เราขอบ่อยๆแล้วก็ร้องให้ด้วยไอ้ภาพที่นั่งร้องให้แล้วขนะอเนี่ยอัลลอฮ์ชอบมากนะดังนั้นเราอย่าคิดว่าร้องให้ไหมด่ดีดีร้องคนเดียวตอนกลางคืนในห้อง นี่ภาพนี่อลัลลอฮ์ชอบมากเลยท่านถึงได้ให้ชาจะได้เห็นภาพเนี่ยนางร้องไห้ยกมือยาวลอยาลอยาวลอยยาวลอยนะนี่นะขอแล้วได้เลยขอแล้วได้ชาอันที่สาขออย่างหนึ่งอลัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งต้งนึกเอ้าอยากได้หล้านผู้ชายอาลัลลอฮ์ให้หล้านผู้หญิงทําไงอ่ะต้องน้อมรับด้วยความเต็มใจอข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้ แต่อาราบเดือมเบนลาออกไปอ่ะโอนดีดีมากเลยนะขอขอหน้าไม่ท่วมทำดีละตรงนี้ท่วมที่ทำดีละอาราบเมตตาตรงนี้คือให้มีคนมาป้องให้ปห้องไม่อะไรให้อลทำดีละข้อสุดท้ายเนี่ยขอได้บนดุงยาไม่ได้แต่ไปได้หลังหลังตายเอาถามว่าได้บนดุงยาก็ได้ได้หลังตายอันไหนดีกว่ากัน <c oughs> นี่ เป็นคําแปลที่ดีมากนะได้หลังตายดีกว่าได้หลังตายได้อยู่ในกูโบนเขาอยู่คนเดียวนะโลภว่ามีความสุขได้บนดุนยานี้นะได้แล้วก็หมดเดี๋ยวไม่ช้าก็หมดดังนั้ได้หลังตายดีกว่าโดยรว่าดุอาอนะันมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะครับทีนี้นบีสอนอย่างนี้นะครับรกษกีเรานะ ถ, ถูกยักยันได้ไม่มากเพราะอะไรเพราะบาป ความชั่วที่เราทําเยอะๆริสกีมันก็ถูกตัดนะครับวาลายุดุลกาดุอิละดูอาตักงดีของอัลลอฮ์เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ก, การขอดูอาวาลายซีดูฟิลอุมรอายุของเราเนี่ยจะยืนยาวได้ด้วยการทําความดีเพิ่มเติมนะครับ อัลลอฮ سبحانه และ ت ع ا ل ا อบิฮัมดีกัสไม่